เป็นาบานั้นบว่ามิตนทีความว่าอันผู้อนความทแท้และความมั่งมวงงาข้วามบทว่าตมารถตัวเามาว่าผู้บริบกาเหมือนาหารัดนะทาะฟามทักระามะตาตาตาว่ากะฟามคาสมากะสากรามละฟตตาว่ามีกระฟามคนไใยคนหนึ่งนะบทว่าในจาวาบาร์ตุตว่ามาถูกกับคนเบืแล้วท้ขาหมูปเป็นตัวเองอยู่ ทุกคนบางคนเลี้ยงวัวตั้งแต่เวลา ย, ยัง อ, อง่อนเลยได้ทมีสรีได้ร่วมไม่ได้ปรจเวลาไปข้างนอกสายไปประมาในีต่ตางต เาเมียตาเตียมเป็นตัวไหน้อย่างนอนหายอาใจเอาเ้าตาายุท่าน้านสัง่ารกรรมารยานี่ว่าว่าบุตรจะมีความโง่งุดหงิกินชุแต่เมื่อไม่อาจไยังอาภาพไ่เป็นทนยด้วยยาบทิยาอื่นชื่อว่าต้องนอนรับกินไปขึ้นมาตามปกติเหมือนทุกคนที่อู่บนปืนก็โดยเยอะะนั้นในขณะตายในคณะนั้นะเขายอมไม่อาจแเพื่อเหมือนุารตแล้วเกินี้จจางอาทุกครั้อนันตาได้เพราะ ก้าม่ายมาในการตายแล้ค่ะทานั้นนายจึงชื่อว่ามีพญญาวอนายย่อมมาเข้าห้องคือไม่พ้นปัญญาการในยู่ในห้องอาริ่มมาไปในการอจบสิงาประธานดาตาต้าประธานนี้โดยสามารถเอาภาระแก่ปร ะ, าะปราชาชนว่าคนพูดอยู่ที่ถึงมื่อรู้จักประมาณในโยปชนะที่ได้แล้วนั้ น, นย่อมมีเวทนาบาบาอันที่บริโภคเรี่ยงอายุอายุย่อมไม่ค่อยย่อยไฟตังนี้แล้วโปรดให้วุฒิสมาชิเปลี่ยนแลแล้วตรงแนะนำโมบายว่า เอ อ, เออพึ่งข่าวขาวสารโดยเฉพาะในเวลาที่พระราชาเสวยและเพื่อพึ่งให้พระราชาทรงอวยรถโพชนารงด้วยบายนี้เขาได้ทำมาเช่น น, ะนะั้นธรรมหมายถวมาประราชาทรงกระพี่กระเป่ามือมีพระตรีละ บ้าวา่องถึงความบังขามเพราะความที่ถ่องมีพระกิาหานานหนึงเป็นอย่างที่กรมมีความบุนเกิดบังเกิดตระกูลในประตาตราแล้วถ่องให้อธิษถานเป็นฝ่ายวันเจตนาวันในพระถ่องอนุโมทนาทานมหาทานึงอมาประชุมในที่อันนั้นมหาชนเรื่องมาประชุมในที่อันนั้นบรรลุกุณวิเศษใยายแล้วนี้ได้เริ่มบิดาปฏิญติโกศลในจบเรื่องฐานุสาวรีย์ ถาได้ยินว่าธรรมะนี้นะนะเบิบุตรน้อยคนเดียวของอาปฏิกาคนนอ้างนั้นนให้เธอบัพปชาในการนที่เธอเป็นเด็กทีเดียวตั้งแต่การที่บัพชาแล้วเธอได้เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยว่าแต่เธอได้กระทมาแต่อาจารย์อุพปชาและแพระอาการุกาทั้งหลายทีเดียวตลอาแตตวันะของเือเธอรู้ขึ้นใจเจ้าตูเข้าไปหน้งน้าในหวงน้าถ้าหลวงธรรมธนาตมที่ประกาศธรรมะด้วยน้มาเียนในราไปสู่ายสาเดียวแรงของเธอ แม่แล้วยอมเชื่อเชื่อว่าชวงอากาศโบตฟายจะภานหนะเธอทํ